เวลาเริ่มนัางสมาธิปุกบเนี่ยจะเห็นปั๊บเล้ว่าจิตมันตวไรแช่แล้วก็ไม่อารมณ์ต่างกับแล้วก็บางครั้งนะครับบางครั้งก็เห็นนี่ความชอบความไม่ชอบของจิตกับให้อารมณ์ที่เกิดขึ้นต่างกับที่สมัก่อให้ตรงนี้หนคู่มันจะเข้าไปรวมกันพ็ดีขึ้นนิดหนึ่งทีเราฝึกกานแทรกกนรแทรตายคือเจริญโภสุดท้ายจะลงมาตรง สิ่งที่จิตเนี่ยมันถัดถอนขึเองออกจากอารมณ์มันปล่อยให้จิตก่ออยู่อารมณ์มันก็คือกองทุกขนี่ยึดอยู่ในรูปธรรมยึดในานามธรรมม า, าไปเกาะแช่ไว้อยู่กับกองทุกขมยึดควรเราพอจิตลงไปจมในกองทุกขมันชิมไม่เห็นพกุกขมองไม่ออกแต่เข้าใจเราทั้งมั่งถัดถอนขึ้นมาชั่วคราวจากกองทุกข์ชั่วคราว ไปสอดเข้าไปอีกจเห็นทุกชัดเราจะนำโฟล์ดูออกนะครับเข้าไปแล้วมันทุกขึ้นมามันผิดอัดมันเล่นมันต้องอาศัยสติที่ที่มันที่มันมากกว่าเลยเคื่องที่ตัวที่จิตต้องมีต้องสติสมาธิสมาธิสมาธิจิตที่มันตั้งมั่นจิตที่มันส่งนอกจิตที่มันส่งในจิตที่ตั้งมั่นเ้ื่อาศัจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาโวกค่า จะขัยานก็เกิดไหลลงไปปุ๊บทุก็เกิดเลยถ้าเราปฏิบัติจนเห็นตรงนี้จะเดินจะมาทำคำมาด้วยความงงมากรา้วพระพุทธเจ้าก็สอ่รู้เวทนารู้เวทนานุปัสสนารู้สังขารรู้จิตตางุตัสนาเห็นกุศลนกุศลหลวงปู่ดูลย์ให้ดูจิตทำมนี่เห็นมีจิตตรงๆผู้จะดู พอปฏิบัติทีแรกมันรู้อยู่กลางอกมันก็ ร, รู้ได้ที่นี้กอก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกก็รู้ตุก็ ร, รู้ดีก็ ร, รู้เชื่อก็รู้รนนพอรู้มา ก, ารร ก, ารรกข้ามมาก้าจิตมัดถอนเองขึ้นนี่มันขาถอนขึ้นมาแล้วมันไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อให้หลวงู่ให้ดูผู้รู้ฉันมาจ้องใส่ตัวนี้พ ม, มาจ้องใส่ตัวนี้ที้ขี้นะกายใจิดเค่งใส่ผู้รู้ หรือพอมันเคยถอดขึ้นาจำได้มันมีตัวทู้รู้ถือถอดออกมาได้ก็เที่ยวหาบางทีนึกเชอก็เที่ยวหาก็ผิดทำอไรก็ผิดหมดเลยเสร็จแล้วก็เลยสับสนว่ามันมีสองตัวเราเคผ่านมาเพื่อการดูที่จางนี่มีตัวที่อยู่ข้างบนเรจะดูตัวไหนงอย่หลายปีเจอครูบาอาารไม่านเอาไ้ดูอีก ไปดูมามค่อยสังเกตเห็นว่าความทุกข์มันเกิดจากจิตเราเนี้ยส่งเข้าไปเข้ไปยิบเอาตรงนี้ี่หล ง, ง, งูนสนลยวจิตส่งออกนอกเป็นสมไทยมีผลเร่นทุกข์ทใํใไมจิตเด็กจิตเด็กเกิดไม่ใช่นั่งจ้องเราคเรารู้สึกตัวทุกั้เรื่รู้ตัวซึกันถ้าเร า, เาติดจ้องเ่เรามจิติดจ้องกลายเป็นเราไม่เห็นิดีก้ ถ้าเราจะไปหาผู้รู้เราก็เิตไปหาเาไม่เห็นจิตรู้ตัวขึ้นมอีกแลวแื อ, วอเกิดขึ้นมาจิตจะถอดถอนอกจากกองุกชั่วกาแบบเขา้นอีกกองกเกิดอันนี้เห็นชัดแล้วว่ากองุกเกิดจากจิตเข้ไปยะจิตพยาน้าไปขังใจเัี้ก็มีธรรมกันหามีกันหาอยากได้ธรรมอารมณ์อยากได้อรารมณ์ขังใจ เวลาทำกรรมฐานก็อยากได้อารมณ์กรรมฐานอยากจะรู้เ่างนี่รู้กายรู้ใจรู้อุ้มนามอะจิตส่งเข้าไปก็ความสุขก็เกิดนี่ตนมันสอบสอเมาเรื่องเจอครูบาอาจารย์นี่ถามท่านประโยกหนึ่งถามให้ได้ตจเช็คแนวทางว่าที่ผมทาอย่นี้ถูกหรือยังถ้าบอกถูกแล้วอยากทาอะไรอีกนะว่าทำสะสมไปอย่างนี้แล้วจิตมันจะแจ้งขึ้นเองอย่าไปทาอะไรขึ้นเอง คือสามารถทําอะไรอีกก็คือลงเป็นคนฟัอนนอนนน ง, อ ย, ง อ, ย อ, ยอย่างนี้ตอนนั้นยังไม่เข้าใจกันเลยเอ๊ะมันถอดประมาณเฉยๆอย่างเนี้เราจะทำอะไรจะดูตัวไหนให้ดูตัวนี้ให้ดูตัวนี้ดูตัวไห น, น, น, น, นก็ผิดหมดจริงๆไม่ใช่ดูตัวไหนแต่มันถัดวางขึ้นมาแล้วตอนมันเข้าไปมันมีริยะตัดนั่นเองแค่รู้ถภาวะการรู้ว่าความคลุกเกิดขึ้นได้อย่างไรความไม่คลุกอยู่ตรงไห น, นความต้นจากคลุก ที่แท้แล้วไม่ได้เรียนส่วนนี้ไม่ได้ไม่ได้เจ้าส่วนไม่ได้อากเิเษกแต่ว่าความมันรู้สึกตัวจิตฝับถ อ, บอนออกมาจิตเคลื่อนลงจิตส่งออกเมื่อไหร่เมื่อความทุก ข, ข์ทุกข์าเห็นแจ้งจิตก็ไม่ก็เข้าใจนี่พอปฏิบัติมาเรื่อยๆจิตหนนหอดอยู่เป็นฝับถอนตัวเองอยู่เ ห, หาครูบาอาจารย์ท่านมปลกแล้วให้ทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้นะ อย่าไปยุ่งกับมันดีทางหลวงสงบนี่เข้าใจแต่สุบายแสงส่องมทําไปด้วยดูไปด้วยเนี้ยน้วเราเข้าในกับเข้าันาสมงเข้าข้างในแต่หาท่านยู่ทีท่านก็บอกว่าเออเนี้ยอยู่กันนิทานอ่นิทานอะไรผเห็นแต่ว่า เป็นแต่จิตที่ไม่ปรงไม่อะไรโลวงูตัววัดแกล้งเขาบอกว่าเออเนี่ยเครเห็นแก้งนี้ทานก็ได้ทักษาสืบทอดศาสนาต่อกันมันไม่เข้าใจอย่างนี้นะมีฐานะเข้าใจแล้วพอจิตสงส่งในที่ตัวร้ายที่สุดสงนอกผู้แค่เหนือมันจะลโพงต่างเขียกไหมส่งนอกคนในคนไม่เท่ากัน อย่าเราเผลอถ้าใจเราเผลอไปพนอะเรารู้ว่าเผลอนะมันพอดีแต่ถ้าเราเข้าไปข้างในแล้วเราติดเค้งน้อยเนะารู้ว่าเค้งนะไม่หลุดง่ายง่ยจะไปหาทางหลุดอีกแล้วที่ถูกขับถูกขับไม่หลุดง่ายง่ยที่พอจิตเราถอดถอนมากขึ้นมากขึ้นจนะไปในเด่นอีกเราจะยึดเอาจิตไหมอย่ายึดจิตแต่ที่ยึดจิตอยู่แล้วโยงเป็นภาระเอ้วเขาสบัดตัวเอ ง, งออก สลับตัวนี่งอีกทีอันนี้ก็ไม่ไม่มีภาระอยากที่จะไปทำงานแลนะตั้งสังทำซ้ำแล้วเราสังทีเดียวเนี่ยจิตจรับธรรมะในในทางทำซ้ำๆที่จริงแล้วพอมันสอนสอนขึ้นมาแล้วพอมันวางนี่พานก็อยู่ตรงนั้นเนยอันนี้พานไม่ใช่จิตนะจบ จิตเริ่มเกิดดับเกิดดับไปนะี่่านเรเกิดไม่ดับแลนะเราสังเกตแล้กนะ็ไปเห็นจิตวี่พต่อมานะ เ, ามเานี่ยหลวู่เทศใจจิตมันทางานหลวู ด, ดูบกเมีพลื่นของจิตคลื่ในการทำงานถ้ารู้ทันคลื่นของจิตหมดพฤติกรรมคลื่นกับพฤติกรร ม, มก็ไม่ตรงกันทีเดียวพฤติกรรมนี่ตรงใจในธรร คือของสีตทนี่ยจิตหนึ่งคุค้นเคย อ, ออกไปทำแล้วมันนี่อย่าถาลันกันไนี่ไปฝึกไปถางไหนนะครับเอ็สนใจครับแล้วก็พอทำก็เกิดปัญหาล้วทำแล้วเกิดปัญหาทำเม่ไหร่เกิดปัญหาแล้วล่ะ้งไม่ทำไม่ทำเรารูอ่ะ ถ้าอยากเรียนง่ายที่สุดนะเขาแย่งอย่างนั้นข้างหน้านะคือการปฏิบัติเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะลืมเรื่องปฏิบัติก่อนส่วนใหญ่พอเราคิดถึงการปฏิบัติเราไม่คิดถึงหรือทำอย่างโน้นทํามีแต่เรื่องทำมาทั้งหมดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทําอะไรเขาสอนง่ายง่ายๆมากๆเลย ที่สู่ทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวจุดที่หนึ่งรู้สึกตัวอย่าเผลออย่าหลงรู้จักเผลอไหมจัดใจลอยไหมเผลอใจลอยนี่ไม่รู้สึกตัวอย่าหีที่คิดแว้รู้ไหมงั้นอย่าอย่าใจลอยนานรู้สึกตัวเรื่อยๆที่สู่ทั้งหลายใหเธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดในการเหนียวซ้ายแระกว่า มีความรู้สึกตัวในการยืนเดินนั่งนอนกิดนดื่มทำพูดคิดกายอยู่ในการอย่างไรร้วยอยู่ในใจอย่างนี้นี้เรื่องหีากายส่วนการดูจิตก็ง่ายง่ายมากๆากเลยใจรอยข้อที่หนึ่งอย่าเผล อ, อย่าหลงอย่าอยแว๊บรูมไหมยึกใจไม่มีแวบง่ายจะตายแหมดพอห น, นี้ไปก็คือไม่สามารถจะรูใจยู้ใจได้ ถใจลอยแล้วก็ติดแจไม่อยู่กับเนื้อกักตัวเราต้อรู้กายรู้ใจแน่โมไปรู้อย่างนีเช่นเราไปนั่งคิดเรารู้เรื่องที่คิดนึกออกไหมเรารู้เรื่องที่คิดแต่เราลืมตัวเองลืมการลืมใจขณะนี้ลืมแล้วใช่ไหยลืมกายลืมใจหอวมไหมแค่นี้เนี่ยให้รู้กายรู้ใจไหมใจกับใจจะแสดงธรรมะให้ดูว่าไม่เที่ยงเลงทุกปรเด็นหน้าตามีที่ิดอีกแล้วใช่ไหม นีไคิดแค่เหแต่ความคิดไม่เหตใจเห็นใจม่ใช่นีนี่อยากรู้ใจทํางรู้สึกตัวอย่าใจลอยนวใจนี่ใจลอยอีกแล้วมู้ไแค่นี้ฝึกตรงนี้นไม่ใช่ฝึกอย่างนี้ฝึกอย่างนี้ยิ่งใจลอยหนักเขาอีกแหนีไปคิดแล้วไมหนีไปดูฝคกมันหนีไปรู้ว่าหนีไปแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าให้มันหลงใจอย่าให้มันหนีไป เวลาจะนี้กายก็คือความรู้สึกตัวที่มากายอยู่ในการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในการอย่างนั้นอยู่สอนง่ายอย่างนี้พระพุทธเจ้าม <Okay. S 1> าสอนไปอย่างในสติปัฏฐานมีประโยคนี้เลยกายของเธออยู่ในการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในการอย่างนั้นกายจะรู้สึก <Yeah. S 1> แต่ถ้าใจลอยใจลอยไปอยกไปเด้อไม่รู้เลยรู้กายไม่ได้มีไคิดแล้วหม <laughs> ไปยักหน้าไปหมดเลย นี่ถ้าจะรู้ใจรู้ใจก็ง่ายแต่ง่ายใครๆก็รู้ได้อยู่แล้วอย่างตัวรู้จักไหมรักรู้จักไหมเกลียดรู้จักรู้จักได้แล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้หนูจะคุยให้ตามรู้ความรู้สึกของเราไปเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็เฉยๆเดี๋ยวใจเรารู้สึกไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้สึกอย่างนี้ไหมเดี่ยวตามรู้กับ มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังหลักอันเดียวรู้กายด้วยกายของเธออยู่ในการอย่างไรรู้ว่อยู่ในการอย่างไรถ้าจิตละจิตมีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้มีโมหะก็รู้นะเนี่ยจิตหลงไปแล้วรู้ไหมจิตมันไหลไปแบบนี้ไปแล้วถ้าดูความรู้สึกนั่นแหะหลงลงไปดูและการดูเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถึงเทคนิคการดูคนะ ขั้นแรกก็รู้ก่อนว่าเราจะต้องหัดรู้สภาวธรรมต้องรู้กายกับรู้ใจรู้ใจนี้ให้รู้ความรู้สึกของเราก่อนเบื้องต้นนะต่อไปเราจะรู้พฤติกรรมของจิตขั้นแรกรู้รู้สภาวะรทีละตัวแบบราคะเป็นนิโทสักโมหะอยนี้ราคะเกิดก็รู้โทสักเกิดก็รู้โมหะเกิดก็รู้ให้ฝารู้เรื่อยๆหัดจากนั้นพอปัญญาแก่กล้าขึ้นเราจะเห็นพฤติกรรมของจิตราคะเกิดนี่เนี่ยจิตตายออกไปแล้ว เสื่รัศความรักคนนี้ขึ้นมาเนี่ยใจหนีเรยบรหาคนนี้แล้วจะรู้ทันจิตมันหนีไปในโลกของความคิดเห็นสาวเดินมานี่ชอบแฟนชอบแฟนชอบจิตมันวิ่งตามเข้าไปเลยหลงไปดูเขาเห็นไหมหรู้จักหลงดูไหมเห็นคนเดินมาเราไปดูครับเราลืมตัวเราเองลืมออกไหมเวลาเราไปดูของข้างนอกเนี่ยเราเห็นต่ของ้างนอกเราไม่รู้ว่ากําลังดู เวลาเราคิดเราเห็นแต่ความคิดรู้แต่ความคิดไม่รู้ว่ากำลังคิดอีู่ไม่หลงทั้งหมดเลยนะไม่หลงเนี่รุดซุ้ยเราต้องดูไงครับคุณพ่อวิธีดูเนี่มีสานั่นคือเอางี้ดีกว่าเรจะไปวิธีดูหลักของการปฏิบัติมันมีสามข้อข้อที่หนึ่งต้องรู้สภาวะให้ถึงตัวสภาวะจริงๆหมายถึงจะรู้กายก็รู้กายจริงๆไม่ใช่คิดเรื่องกายจะรู้ใจ เขาดูแมถึงจิตถึงใจจริงๆไม่ใช่คิดเรื่องใจรู้ใจเช่นจิตใจมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้ก็รู้ของจริงๆไม่ใช่นั่งเงินเขาส่วนมากเราจะถูกความคิดปิดบังเราไม่เห็นสภาวะของจริงดังนั้นข้อที่หนึ่งเลยต้องดูกายดูใจของจริงมูสภาวะของจิอย่างเหลืออิจฉาเนี้ยลืมใจลืมใจดูไม่ได้นะนี้ข้อสอวิธีดูวิธีดูที่ถูกต้องมีสามระดับ สามจังหวัก่อนจะดูทำยังไง ร, ระหว่างดูทำาังไงดูแล้วทายัางไงก่อนจะดูนี่อย่าอยากดูนะสังเกตไม่ก่อนเราจะปฏิบัติเราอยากปฏิบัติก่อนใช่ไหมอยากปฏิบัติเสร็จเราก็ตั้งท่าทําใจถึงถึงแล้วก็ฝ่เข้าดูนี่ผิดหมดเลยนะนี่แจ้งดูแนละ้วดูได้ปัญหานําให้ดูแนละ้วแล้วก่อนจะดูนี่ไม่อย่าตั้งท่าขึ้นมา แค่ดูราไปตรงเลยว่าขณะนี้จิตใจเราเป็นยังไงขณะนี้มันเฉยๆมันเบรกบางนิดๆมถึงป็นแค่ตเส้นเหน่อยๆดูลงไปเลยไม่ต้องไหนจะดูจิตแล้วคทำถึงกับถึงได้ที่แล้วนั่งดูที่มีอะไรไหยไม่มีอะไรเลยมีแต่ความนิ่งๆแข็งๆใช้ไม่ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่พวกเราลงมือปฏิบัติถึงก็ทำปุ๊บเนี้ยไม่ได้กินแล้วไม่ได้เห็นของจริงแล้วเห็นแต่ของปลามที่เราสร้างขึ้นมาเองมีแต่ความนิ่งๆเฉยๆ งั้ปล่อยจิตใจอยู่างนี้แล้วนึกขึ้นได้นะรู้ลงไปเลยมันสุขก็รู้มันทุก็รู้มันดีมันชั่วรู้ไปมันรู้สึกอย่างไรรู้ทันความรู้สึกรู้ตามตามรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆงั้นก่อนจะรู้เนี่ยอย่าตั้งท่าระหว่างรู้แหละรหว่างรู้อย่าถลําลงไปอย่าเพ่งลงไปอย่าเจ้างลงไปอย่าลงไปนอนแช่สังเกตไหมเวลาเราจะรู้อะไรสักอันเนี่ยเราส่งใจเราลงไปแช่ยิ่งอยู่งนั่งเจ้าเถิดจะรู้อันนี้นะน ใจเราก็อยู่ที่อันนี้จะไปรู้คนอื่นใจก็ไปอยู่ที่เขาจะทํากรรมฐานพจ้องลมใจไหลลงไปอยู่ที่ลมดูท้องฟองท้องยุบใจไหลไปอยู่ที่ท้องยกมือใจไหลไปอยู่ที่มือเดินจงกรมใจไหลไปอยู่ที่เท้าใจไม่ตั้งมั่นอย่างนี้มันเกิดหลายๆอันคือไปเรื่อยๆเราก็ต้องตามไปเรื่อยๆครับให้รู้สภาวะพุกอย่างที่กำเกิดขึ้น เืยอะสิมันเป็นเด็กเดดับเพื่อนเดียวมันเด็กเดดดับได้ไม่ได้สิเห็นไมมว่าความรู้สึกในใจงเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้ทราบรู้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกแค่นี้เองให้ทราบรู้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกอะไรใจสงสัยรู้ว่าสงสัยสงสัยแล้วคิดใช่ไหมสงสัยแล้วแทนที่จะรู้ว่าสงสัยก็สงสัยแล้วคิดสุกรอครับ มีความรักเกิดขึ้นแทนที่จะรู้ว่ากําลังรักไม่คิดถึงคนที่เรารักพยาบาทเกิดขึ้นแทนที่จะรู้ว่ากําลังพยาบาทไม่คิดถึงคนที่เราเกลียดเราะงนนะให้เต้ารู้ลงมาที่ถึงจิตถึงใจเองนะตามรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจไประหว่างรู้ก็อย่าลงไปเพ่งอย่าลงไปแช่ลงไปเจ้านิ่งเฉยเฉยทใช้ไม่ได้จะต้องรู้ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นนี้รู้แล้วเหร แต่สอรู้อย่าตั้งผ้าทำระหว่างรู้อย่าถลำลงไปจ้องอยลงไปนอนแค่รู้แล้วไม่ทําอะไรเลยไม่แทรกแซงไม่แก้ไขไม่ดัดแปลงรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงเช่นความปวดเสร็จขึ้นมารู้ว่าปวดอย่าอยากแก้อยากหายปวดนะไม่หายหรอกเพราะว่าความอยากหายปวดนั้นก็คงตายตัว มันก็ทุกอัลลิบนเลยกับกระสังใช่แล้วมันก็ปนกันระหว่างกายกับจิตสิครับจิตเนี่ยเราเลือกไม่ได้ครับ <ฮะ S 1> บางครั้งก็ไปรู้รูปบางครั้งก็ไปรู้นามแต่ <c oughs> เบื้องต้นแต่เบื้งต้นเนี่ยจะรู้เงียบขรึนก็ได้เช่นจะผ่านความรู้สึกในใจของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้กได้สัง<ม>เกตไหมว่าไม่ไ <ฮะ S 1> มต้องใส่ใจเรื่องตายก็ได้แต่เข <ฮะ S 1> ้ารู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงต้องใช้สังร่าความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลง สังเกตไหมว่าความรู้สึกเราเปลี่ยนแปลงก่อนจะมาวัดแต่ตอนนี้ไม่เหมือนกัน ต, ตอนนี้นิ่งๆรู้สึกไหมตอนที่จัดหายู่ข้างล่างไม่นิ่งรู้สึกไหมให้รู้ความเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ตอนหน้านี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็เข้ารู้ไปเรื่อยๆตรงนี้ยังไม่ขึ้นนิทานานเป็นการรู้โดยการที่เอาความจําเข้ามาช่วยว่าเมื่อกี้เป็นอย่างนี้ขณะนี้เป็นอย่างนี้เป็นการหัดเรียนรู้ตัวสภาวะ ต่อมาพอเรียนรู้ชนิดชำนาญนะขนาดนี้เป็นยังไงจะตามรู้ตามเห็นความเปลี่ยนแปลงขนานี้ น, นี่ถึงจะขึ้นนิพพานนาทีนี่เป็นดี่เรื่งนี้ผมก็ต้องไปอ่านเลี้ยงเยอะๆนะครับอาจารย์อ่านใจด้ยแล้วมันจะเข้าใจได้ไงว่าวขนาดมันเ ข, ข้าใจว่าธรรมะนี่ออกมาจับใจแล้วก็จะกล้าท่านดูจับของจริงตรงนี้เราเห็ว่าพิเลศเกิดยังไงทุกเกิดได้ยังไง บางคนตกเกิดได้ยังท่านดูจะคงจริงเนี่ยท่าไม่ได้นั่งด้วยคเพราะงั้นเราดูของจริงอันเดียวว่าท่านเดี๋ยวก็จะเห็นของจริงไม่ต้อไปคิดเลยว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงต้างเห็นตัวจริงของกายของใจของรูปของนามมันต้องไม่เที่ยงแน่นอนก็ัวอย่างง่ายๆเคยเห็นไหมเลลวลาฝนตกตกดินเนี่ยเกิดเป็นฟองน้ําขึ้นมาเวลาฝนตกตกรดงนี่คือก็เกิดเป็นฟองเป็นเม็ดๆๆขึ้นมาฟองอากาศ ถ้าเราเห็นฟองอากาศเนี่ย อ, อากาศก็จะแตกให้ดูต้องคิดไหมไม่ไม่เที่ยงหรอกอยังไงก็แตกไม่ต้องคิดก็แตกเพราะงั้นถ้าเราเห็นกายเห็นใจของจริงไม่ต้องคิดหรอกมันแสดงใจรักแน่นอนคิดเรื่องใจรักไม่เห็นใจรักหรอกก็ได้แต่ความคิดว่ามันว่ามันจะเกิดมันหือมันจะดับไปเออไม่ต้องคิดเลยต้องดูของจริงเห็นทุกเห็นเขาไปด้วยนะเนี่ยดูง่ายๆมือใจเราเนี่ยจะจับตลอด เดี๋ยกเดี๋ยวทุกขเหลือวดีเดี๋ยวร้ายเข้ารู้ความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเฉยเฉยเดี๋วตื่นเต้นเดี๋ยวีใจเดีเสียใจเดี๋ยวเข้รอเล่าอยู่อยางนี้ผมก็ไม่ต้องไปสนใจไอ้ไอ้ภาพเก่าๆที่มันเกิดขึ้นความเิดตกางที่เกิดขึ้น่ไปเลยเอาปัจจุบันเอาปัจจุบันกัอันใหม่ปัจจุบันใหม่เอาปัจจุบันอันใหม่จะเป็นองส้างใหม่ให้มันมาต่อเราก็รู้อย่าไปตอรู้อันใหม่เนาะรู้ปัจจุบันไปร ขณะนี้หนีไปคิดรู้ไหนีแล้วก็คิดอยู่ๆแล้วก็เผลอแวบไปให้ร ja. ู okay. ita. Ita, hmm? ้ลงอย่างนี้นะนี้แตนีหนีไปแล้วเห็นไหให้เข้าดูอีกไม่ใช่ห้ามนะไม่ห้ามใจเผลอคือจิตมีโมหะจิตมันหลงจิตมันหลงรู้ว่าหลงจะตามรู้แบบต้องตามรู้นะเออไว้เห็นไหมว่าคําว่าเกิดดับไวนี่เราต้องมีสติที่เร็วขึ้น ทีแรกเรารู้ได้ไม่ตลอดหรอกเรารู้ได้แต่อารมณ์ที่อยากอารมณ์ที่แรงพอสติรตเราเร็วขึ้นก็รู้ได้ละเอียดขึ้นเยอะร่องไเกียงใจไม่สงสว่กี่โมงเนี่ยรูเม็ดน่มันเลยรู้เลยเนี่ยจะเห็นหว่าความสงสัยตอนีหายไปแล้เร่รู้อย่างนี้ยังจะเรียกว่าเห็นเกิดกับ ก็คือทํำอะไรก็ให้รู้ว่าทําอะไรเรียนร้ทำอะไรรู้ว่าทําอะไรทําอะไรให้รู้ความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่รู้ว่าทําอะไรนะบางคนบอกว่าเห็นดับไม้ได้กลิ่นดับไม้หอมรู้ว่าดับไม้หอมไม่ใช่ดอกไม้หอมแล้วอใจชอบรู้ว่าใจชอบให้รู้ความรู้สึกไม่ใช่รู้ว่าทําอะไรขยับตัวรู้ลงไปชิ้นความรู้สึกเลย